การฟังธรรมะการปฏิบัติหมว่าาเวลาที่เราเนี่ฟังนั้นเป็นการสึกสึกจพาว่าน่าไปในตัวกาะีงอะไรนั้นเป็นหน้าที่ของท่านเรานี่ยฟังเรว่าน่ภาวนางอเวลาีส การภาวนาตำลหาใจนั้นเป็นมาสี่ของสวกเราทุกคนสูน่ปรารนาความสุขความสบายจิตใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของตายนะจิตใจวุ่นวายสายแส่จิตใจไม่มีความสงบสุขไม่สบายแล้วเราจะ ไปใส่ฐานคืใดอยู่ใส่ฐานคีใดอยู่วิญญาบดไหนมันก็ม่มีความสุขความสบายให้เขาจิตใจของเรารอ้อนจิตใจของเราวุ่นบายแต่นั้นทางธรรมครจึงสอนให้ฝึ ก, อ, อ, กอบรมจิตเกกการสงบหย่อนเย็นของตัวการฝึกอบรมจิตนั้นแล้วแต่คนใดสอดใจ อะไรที่จะนำมาทำจิตทำใจทั้งตัวให้สงบนะครับคนที่ชอบคำหนดลมก็คกำหนดลมคนที่ชอบบริกรรมก็บริกรรมคนที่ชอบเพ่งจิงใดซึ่งหนึ่งเพื่อให้จิตจับอยู่ในสิ่งนั้นตัวได้เพราะปกติเร่วงของใจ <c oughs> มันใส่จิต ปรุงปงไปตามสัญญาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะนั่งภาวนาหรือเราจะทําการงานอะไรใจในเราอยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับตัวนักคิดนักลรุงอยู่ด้วยดังนั้นจิตใจของเราจึงมีกําลังไม่มีความสุขความสบายให้เพราะความพักผ่อนของใจไม่มีทางสายเสมอ การเชงสอนให้เขาถอนเดือยของใจสำหรับกำลางเยื่องวัตสมาธอดูทางความสงบของใจโดยวิทีต่างๆแล้วแต่ใจถนัดในวิธีใดเนี่ยทำใจทั้งตัวให้สงบได้ระงับได้แต่คิดว่าวิที่ิธีนั้นถูกต้อง ถึงจะไม่มีความสําหรับตาราครูอาจารย์จะไม่แนะสอนติดตามเพราะเราสงบได้เราสบายได้เราเย็นมากถือว่าถูกต้องในาางการทำของตัวใจสบายแล้วใจสุขแล้วใจสงบแล้วจากการทุดการคิดต่างสงงเรามาเรียนตัวอยู่เป็นเอดกับเทศ ทางวัดหรือทางศาสนาหรือว่าสมาธิเรืงรวมเป็นที่เนขาดปัญญาอารมณ์หรือว่าเป็นอัปปะมารรวมนะในทิงนั้นรงสั้นองระยในข่าวิ้จุดยืนตัางเฉยๆนี้ตากับาระตามเรื่องของผ่านใจอย่างนั้นเป็นเรื่องสห ร, ร, ร, รับตารา แต่สุขาวะนะาผู้ศึกษาก็ต้องทราบต้องเห็นต้องเป็นจากตัวเองจึงจะเชื่อมาอย่างนั้นความเชื่อเราจะไม่ดังถึงจิตจิตใจจริงจังเสื่อสำหรับตําลาเชื่อได้ก็แต่นั้นแหละไม่เย็นไม่สุขมาสบายให้เชื่อจากการกระทําของเราเองนั้นเชื่อมั่นเพาเราเห็นเราเป็น ค ว, วามหย่อนยานสงบมีรสชาติอย่างไรผู้ปฏิบัติทุกคนมีสิทที่จะทำได้ที่จะเห็นจะรู้ขอจะแห่งต่างหน้าต่างตาติกตาจะทำบํามเชิงจริงจังเพราะความจริงจหม่นี้จากความจริงได้ใหงหน้าต่างตาต้องรวมรักษาจะเห็นอันนี้สองเกิดขึ้นมาจากการจะทำทั้งตัว ฉะนัน้ทุกคนที่บวชมาในศาสนาที่ตัณฑ์ต่างๆมาศึกษาปฏิบัติปกติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติใน ม, มีเวลาอื่นยิ่งกาการจะต้องรวมระวังใจการจ ะ, จะดูแลรักษาใจาทั้างปรดและการงานอื่นจนหน้าที่ของคนอื่นเขาจะจัดแต่ทำยิ่งเป็นนักบวช การงานส่องอะไรก็ไม่มีหมื่นโมก่ออาศัยเพราะว่าอุตส่มีตักทานำมาถวายให้าหาการโขดฉันก็เหมือนสั น, มมสนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแสวงหาทีซื้อขายมันสะดวกสบายทุกอย่างตลอดอท้งที่พักที่อาศัยเยอะสุดมีิหาร <c oughs> เขาก็อสร้างเอาไว้เราสะดวกสบาย อย่างที่ประจานปจฮะต่างใจประเทปฏิบัติรักษ า, าตามสงบสงบรักษาทาาัณยอารมณ์ของใจแล้วจะเห็นอนุสงเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวสืดมาไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีคุณค่าสาระอะไรบวชแต่สัตวบวช อ, อยูใ่ในศาสนาหนุ่งสาวเลื้ยงกองผม อยู่เอกเทศสายเมืองบ้านฉนั้นแต่จิตใจนั้นไม่มีอะไรอัดใส่กันเมื่อมันจนอย่างนั้นตามสงสัยลังเลในจิตในใจมันก็เกิดขึ้นสายแสก็แย้หาวลาอันนั้นจะสุขอันนี้นจะสบายเพราะกามบวชไม่มีการงานด้านนอกไมนะ่อยากคิดปรงใหญ่โตจนบว่ ชุดใหญ่ใส่สูงคนบวชเปงเสียงกว่าเป็นพลาว่าเพาโอกาสเวลาต้องนั่นบวชมีปัญญาไม่มอยากคิดอ่านตั้งแตเรื่อนต่างๆหาคิดไปในทางแก้ไขหยุดใจเสยเ่ยทำร้ายกิเลสปัญหาก็า ม, มีโอกาสเวลาที่จะคิดได้แก้ไขได้ตกไปหาคิดไปในทางผิด ดไปในทางโลกก็มีกระแสแรงนะ่ะจนไม่สามารถอยู่อยู่ในศาสนาได้มันเป็นไปํานองนั้นฉะนั้นเราทุกคนที่ตังหนา้าตัางตามาฝึกฝนประเพศ่อปฏิบัติธรรมจพืรักษาใาว่าจจใจทั้งตัวด้วยอจด้วยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแ น, นอน ลราเลืกนึกดูว่าเราเป็นนักบวชเป็นสมณะทุกการทุกเวลาคือมีสมณะสัญญาคิดว่าเรามาบวชเวกิดความสงนบมาบวชเวกิดบอบกลวรตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นความสงบจะเกิดขึ้นได้ทาง้ายแเพรก็เราไม่ได้ไปทำขวเสียต่างๆ ทำแต่กรรมที่ดีมีหน้าขี่เดนตรงตรงภาวน า, ส, าสําระสัสดงกายว่าใจาใจให้สาหาเรามีสมณะสัญญาตักเตือนตัวอยู่สม่ําเสมอแล้วการภาวนาการละีิเลสในใจของยุ่ง้องยากอะไรเพราะีิเลกไม่ได้อยู่ในที่อื่นอยู่ในจิต ใ, ในใจของตัวเอง เป็นที่ชั่วที่เสียที่ลบควรจิตใจก็ไม่ใช่อื่นไกลไกลจากสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์นั้นหากเรามีสติมีปัญญามันจึงขึ้นจิตขึ้นเมื่อไรเราก็ทราบดีว่ า, าอารมณ์สัญญาอันนี้เป็นอารมณ์ที่ชั่วที่เสียโดยส่วนใหญ่ วขาวบคารวะเขาคิดกันในใจหนาที่แต่ทีนี้มาบวชจะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นหักห้ามเอาไว้ในใจมันจะชิดไปปรุงให้เสียจะ ล, ลำเวลาด้วยคำหายจิตหายใจเดี๋ยร้อนวุ่นวายก็อารมณ์สัญญาจิตเสียชิดปรุงจงขึ้ น, นมันทานมาบว่าตามแล้วอย่าไปจิดตามแล้วเกี่ยวข้อง าหากเรารักษาได้อย่างนี้อารมณ์ภายนอก่ไดอมายุน่นเกี่ยวกับจิตใจอารมณ์ภายในเกิดขึ้นเราสำลักจิตใจของเรายังอยู่ในวงของธรรมะยังอยู่ในยงของอัดของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแ น, นอนจิตใจคือใจโยนวายวาเวต่างๆก็จะสงบสบายลงไป จะเห็นอา น, นิสงส์ในการสั้งรวมระวังรักษาจิตใจของตัวเมื่อเห็นอา น, นิสงส์ความหยือกเย็นใจงด เ, เกิดเป็นสิ่งในตัวแล้วให้บอกให้เชื่อให้เหลือ่อนไสให้เต็มใจปฏิบัติมันก็เชื่อก็เลื่อมใสก็เต็มใจปฏิบัติเพราะทุกคนเกิดมาสถานาความสุขความสบาย ความสบายนั้นไม่ว่าจะนัก่งดูดแคล้วว่ า, วาเขาก็ต่องตาตัดเขาก็ต่องตาแต่ความสบายนั้นจะเกิดจะเต้นจะเห็นจะรู้ก็เพราะอาศัยาาออการฝึกการอบรมการแตะทมบำเพ็ญของตัวไม่ใช่ว่าอยู่ๆความสบายนั้นก็จะเกิดขึ้นจนขึ้นต้องอาศัยเรากระทำเหมือนบ้าน่องที่เราไส่ พักาอาศัยยึกสติยิหานไม่ใช่ลรอมันเกิดขึ้นเองคนอื่นเขามาทำให้เราปรับตรงขึ้นมันจึงได้พักผาอาศัยกันแดดกันฝนอยู่สุขอยู่สบายได้มีด้านจิตใจก็ททำนองโยกกนแเราต้องบังคับบัญชาไม่ให้จิตใจสายแสไปตามเรื่องของลดีปัญหาแล้วเอาอารมณ์สัญญาของธรรมะมาแงสอน อบรมให้จิดใจของตัวเห็นโทษของความชั่วเห็นผลของความดีมีสติรักษาอยู่อย่างนั้นใจจะสงบให้แต่ะละนับให้เหมือนน่อความสงบั้งใจได้ไปจากชัดเจนในการจะทำบำเพ็ญของตัวนั้นขอเชื่อความมันเป็นสุข ความสุขจึงเป็นผิดศาสนายังรงงับกิเลอปัญหาได้สัวระยะสั้นความนเนื่อยโยกของกับตัญยารมต่างๆขาใดใจใจได้รับความสงบจ็เป็นธนิมะจอุปจาระหรืออปนาเจียงขันหยาบหยาบเจียงแข่งนี้ก็เห็นก็เชื่อว่าศาสนานั้น ยังไม่มีอะไรเสียหายไปตามกาลตามเวลาผู้ประพฤติปฏิบัติ ภ, ภาวนายังเห็นยังรู้ว่าเราเห็นเราเป็นในตัวของเราโดยการกระทําบําเพ็ญคนอื่นเขาจะคักค้านว่าจะะากน้าผ่านไปเท่านั้นทีแต่นี้ทีโวทด า, ากสกิทาชาอนาชาลหันจะหมดไป จ, จากโลกนั้นนั่นเป็นเรื่องลมปากของเขาเราจะทําบําเพ็ญเห็นรู้ จากตัวท้องตัวอยู่คือความสงบระงับของจิตของใจถึงในถึงขั้นอรหันต์อรหรันต์เล่าก็เห็นความสุขความสบายความสงบดั่งเมื่อทําการเชี่ยวจังเรื่อกนอากนอารหมดสุ้นไปจากทุ่งเหยิงมังนเป็ีโอกาสเวลาที่จะเกิดขึ้น แต่เราก็ ท, ทําเพียงแค่นี้เราก็ยังเห็นความดีความสงบมันเสือ่อย่างนั้นมั่นในใจอ่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอัจจาริโตจริงคือไม่มีการมีสมัยใครทําดีทําสั่อเหมืออะไรผลที่เกิดขึ้นจากการการทาของตอนนั้นจะไปจับในจิตในใจของเขาในการใดก็สมัยหนึ่ง นี่คือเรื่องการคิดสอนจิตอบรงใจท่องตัวถ้าหากมีสมณะสัญญาท่าบว่าเราเป็นนักปฏิบัตินักเบว่อเพื่อความสงบระงับดับี่เหลนปัญหาโอกาสเวลาที่จะไปทาไปพูดไปคิดทางนอกมันก็แฉบเข้ามา เพราะมีปัจรักษามีปัญญาเนี่ยสอนตัวเองมาด้คิดไมาด้งไปเลยแข่งนอกมด่ดปล่อยการปล่อยเวลาให้เสียไปคนที่ตั้งใจไปคิดปฏิปบัติอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยปัจจุบันก็ดีดีโดยกาสรสงวนระวังอินทรีของตัวคนนั้นจะมีโอกาสเวลาพบ ป, ปะ ทรนะคือพระพุทธกจ่ า, น า, ฤฤ า, จาแะนะนเเหมอพบปะเดี๋ยวตนเองแล้วก็จ ะ, จะเชื่อมั่นอยากทาในสิ่งนั้นให้มากขึ้นัดเพราะทำไปได้รับผลคุ้มค่าถึงจะลำบากยากเย็นโดยการจะทาบำเพ็ญจะอีสษาพยายามเพราะเห็นด่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมัน คุณค่ากับการกระทำของตัวความจริงนักบวชนักปฏิบัติทาหิกในเลื่อมใสในเนใจยินดีในอัดในทำแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษมากเพราะว่าการจนอยู่ของนักบวชนั้นมีขอบเขตการพูด ก, การทำของนักบวชนั้นมีศีลเป็นเสื่อม รักษาเอาไว้พระพุทธตามสอบใจในไดน้จะต้องผิดจากศีนสู้พระพุทธเจ้าทรงมันดยากเราะ น, นั้นจึงเป็นการตัดหังตัวเองให้รับทุกรับโทษอยากดูอยากฟังอยากส่องบบยอยากเกี่ยวคือไหนตามสอบใจในได้เดือดร้อนอวุ่นวายเพราะเรื่องสรงออกนอกเป็นเรื่องนอก จุดเรื่องนอกะแล้วในสุขในสบายให้อยู่ภูใจอยู่ในอยู่ในขดของอดของทำเป็นทุกเป็นโทษทั้งๆ ท, ง ท, งที่โรคภัยภายในใจใน ม, มีแต่ใจมีโรคภัยคือกิเลสปัญหาตายแสออกไปตามสายแสของสัญญาอารมณ์อยู่เรื่อยๆหักห้าไม่อยู่ไม่มียารักษาให้ เหล็อปัญหาสงบไปเมื่อผู้มีอาจมีทำไม่มีเทศได้จะสุดจะสะบายเหมือเหมือนนักบวชเพราะนักบวชประชานที่อยู่จะเจนฉีดีไม่เดือดร้ น, นายาถูกคนทำ ไ, ไม่มากวบก่อวรเหรี่ยลํามลำบากลำพานอยู่ก็อยู่คนเดียว นอนก็นอนคนเดียวนั่งก็นั่งคนเดียวอะไรทีว่าเกิดคนเดียวตายคนเดียวอยู่คนเดียวจนติดตายวิริยะอยู่ในวุ่นวายอยู่ขวางกับคนอื่นแล้วต่ทําบันเทียนให้เกิดวิริยะอยู่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาอยู่เป็นที่เลือสปัญหา ทำจุดทำใจตั้งเตามให้สงบแล้วนะในเรื่องเหล่านั้นพาะคิดไปปรุงไประยะที่เราเคยคิดเคยปรุงในระยะที่เป็นเชลวะรู้ในระยะที่เราบวชมาใหม่เราคิดเคยคิดเคยปรุงไปแล้วไม่เกิดนักบวชผลอะไรให้หนอกจากความวุ่นวายเดือดร้อนต้องใจเราต้องเห็นใจ ว่าการยุ่งเกี่ยวกับสัญญาเร็ น, นั้นมันให้โทษให้ทุกข์แต่ตัวข้งตัวพยายามเพ่งพยายามบริกรรมพยายามกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนจิตรวมรให้เป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิความหนักแน่นของใจความความเห็นความเยินความหยือกเย็นของใจ จิตในเชืประิบพบมากก่อนในเกิดขึ้จากการกระาทามของตนเมื่อจิตมีกสมาธิจิตหนักแน่เมื่อถอดถอนสิ่งมาจะพิจารณาอะไรที่เราเสงสัยของใจก็พิจารณาได้โดยส่วนใหญ่ทางศาสนาหรือครูอาจารย์มักแน้สอนให้พิจารณาเหลื่อมธาตุพันเพราะมนุษย์หรือสัตถ์ผัวไปนั้น หลงเรื่องขาดันเป็นส่วนใหญ่ถึงจะรู้จะเข้าใจโดยการอ่านการไปฟังจากคนอื่นด้คิดมันก็หลงหลงทั้งเรื่รู้รู้ทั้งหลงหลงมันจึงเชื่อยากความจริงการจำ ม, มาโดยสัญญาจากตำหรับตำลาจากคนอื่นนั้นมันเป็นสัญญา ไม่ใช่ปัญญาพอจิตจะละจะถอนให้จิตใจรู้แจ้งแชงตลอดในอาจในคาไดา้มันจึงไม่มีคุณค่าสาละอะไรเหมือนกันกับตาราหยุดยาจะอ่าน่ดยใจโรคใครให้มันหายไปนั้นอ่านเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์ให้การที่เจนาภายใน การแต่ทำภายในการตังวมกายว่ายใจยใจของตัวจนจิตได้รับความสงบสงัดเป็นสมาธิมีความหนักแน่นเข่นแข็งออกมาที่นี้ทิ่เจริญาเรื่องขาดขันจึ่งเราขันเคเยไ ด, คด้ยินได้ฟังเคยได้ศึกษาเราเรียนมาแต่มันก็ยังไม่ละมันยังหลงยังจิตยังคล่องอยู่ จิตใจยังเกิดราธาตันหาจิตใจยังเกิดความหลบความโกรธความหลงเราจึงควรชำระด้วยสติด้วยปัญญาเพราะใจของเราหนักแนี่ยด้วยสมาธิแล้วที่แต่งาไปในเรื่องของขาดของขันให้เกิดปัญญาจ้ามากตัดขาดจากความสงสัยความดวงเสี้จุดขลองต่างๆนั้น ให้ตกออกไปไบ้พระพุทธเจ้าหรืออริยาสาวกท่านจะทำมาอย่างนั้นมันเป็นริ้ถ้าคิดมีสมาธิมีความหนักแน่นที่จเจรนาอะไรถึงเราเคยสงสัยมันจะขาดจะตกออกไปจะไปจากในใจว่าทีเลศ น, นั้นนั้นมันตกออกไปจากใจ พิจาณาธาขันนั้นก็แล้วแต่จัดพิจารณาธาดอะไรจงจิตมันสัมผัสพิจาณาลงไปจนห้ถึงทีุ่พของมันจนจิตใจรู้แจ้งเข้าใจจริงในธาตหนึ่งธาดได้แล้วธาดอื่นๆในต่องพิจาณามันก็รู้เกาะเข้าใจถวดไป มันเหมือนกันกับธาตุที่เราพิจารณาสกแตกแล้วมันไม่มีอะไรเฉ่งใสอย่างพิจารณาธาตุดินสิ่งส่วนใหญ่อยู่ในกายของเราทุกคนมีธาตุดินเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเกีย่ยวกัาาบธาตุดินธาตุเหล่านี้ มันเป็นดินจริงจังแต่พวกเราท่านหรืเจ้าที่เจรินามันเลยถือว่าเป็นของเป็นเป็นเป็นเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นศาสตร์เป็นบุคคลศาสตร์ถาทุเจริญนาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็ดีฉันก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีเหัืนังเอ็กรดูก็ดีจึงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากดิน มันตั้งอยู่ก็ อ, อาศัยเรือ่องของวินเพิ่มเติมกันอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่อย่างนั้นมันก็สุกลอหรือแตกสลายเราทานอาหารทุกวันนี้ก็เพื่อเผิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้คงที่อยู่ได้เพราะถ่ายเย็นจะต้องอาศัยถ่ายเย็นมาเผิ่มเติมมาแล้วเมื่อหมดลมหายใจมันแตกสลายไปสิ่งเหล่านี้จะคงที่อยู่ไม่ได้ มันจะกลายไปเป็นถาดยืนตามเดิมของมันถาดยืนนี้ถามันเป็นยืนจริงจริงจังจังแล้วมันไม่มีหญิงมีชายมันไม่มีโลบมิตโกรมีหลงอะไรหน้าที่ของมันคนจะหลงมันล่ะเป็นจั์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างไรมันจะเป็นไปอย่างนั้น นั่งเน็ตไปหลวงจากไทยและดินอันนี้จะไมเ่เดียไปสู่สถานที่ใดอีกไปงนรถมันก็ไม่ไปไปเทวันมันก็ไม่ไปไปนิทานมันก็ไม่ไปน่าที่ของมันเป็นยินมันเกิดเป็นยินอยู่อย่างนั้นนี่คการที่แกนาเรื่องธาตุธาตุยินนี้มีอยู่ทั้งนักบวชและฆราวาสธาตุยินนี้ เป็นที่ตั้งของโลกใครต่างๆจะมาพักมาอาศัยใครมีถาดอันนี้ถึงเหวียงอยู่คนนั้นจะเป็นทุกข์ช่วยพี่เจานาะให้แยกทายให้คอยใจยืิงจังแล้วราคะความจำหนักยินดีในถาดยินนั้นมันยินดีถี่ไหน มันยินดีอะไรตัวข้่องยินเองยินดนในยินไหมสูดเข้าไปที่ใจนาเข้าไปให้จิต ร, รู้เห็นตามเป็นจียงของมันเมื่อสาว่าดดินของเรานั้นเป็นอย่างไรบาดดินของเขาเราอื่นคือมีอยู่ในปัจจุบันหรืออดีตที่ถามมาแล้วจะเป็นกี่ล้านที ดีแสนทีกอาตาอนาคตยังไม่มาถึงก็ดตามันก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นถาดยินเหมือนกันพรศาสตร์เรื่องของตัวเทวดถึงหมดสงสัยไหนมีตัดมีบุคคลอะไรเป็นเจตตะว่าถ้าจิตใจมันจะหายความสงสัย หายความกำหนัดพอใจในเรื่องธาตุอันนี้เพราะธาตุอันนี้ไม่ใส่ของดีของดิเศษอะไรเมื่อเป็นอยู่ก็ให้ทุกแต่บํารุงรักษาเมื่อแต่สลายไปก็ไปตามหนักขี่ของมันนี่คือธาตุที่แยงนาธาตุารู้เพื่อจิต จะสัจจะรู้จะบังคับบัญชาแต่เขาเป็นอย่างนั้นดังนี้ไม่ได้เนไปตามหนา้าจิตของเขาสู่พิเจเญนาสู่ภาวนาจะทราบทุกสิ่งทุกไปอย่างไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยมีอะไรสงสัยกับพิเจเญนานั้นจนทุกสิ่งทุกอย่างตกไปตกไปผลคือสุดเรื่องของจิต ขีมีปัญหาสงสัยอันนั้นสงสัยอันนี้เมื่อถึงขี่ของมันจริงจังมันจะหมดไปหมดไปอย่างไรนั้น <c oughs> เราจะไปจักในจิตในใจของเราผู้ปฏิบัติเองมันหมดอย่างไรสมมติที่มีอยู่ในโลกมันก็มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาและสมมติอันนี้จะยันเชียง สมมคิทำเดียวภาษาของโลกวันมากาจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบให้แต่ความจริงมันเป็นอย่างไรนะั้นมันเหมือนขันมีเศษขุ่นแตกพวนแตกสลายเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะสงสัยจิตใจที่รู้ที่เข้าใ จ, าจในอจในความจริงจังตำละ สะอาดจริงจังแล้วจะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จะลุดออกไปจากสมมติอย่างที่เราไม่เคยขาดฝันจิตสงบธรรมดาเคยทราบเคยเห็นละเอียดขนาดไหนสงบขนาดไหนได้ไปจากในใจของผู้ประฏิบัติแต่จิตยมุทนั้ น, นท่านผู้ปฏิบัติเมือเม่อเห็นเมื่อเป็นแล้ว จะไม่มีทางชงไขจะไม่มีการเข่าการออกสำหรับความบริสุทธิ์ยิมุทของใจอะไรที่จะติดข้องในโลกอีกอะไรที่จะทำสิ่ง น, นั้นให้ดีวิเษสษขึ้นไปอะไรที่จะทำสิ่ง น, นั้นให้ชั่วให้เสียอีกมันไห่มีหมดการ บำเพ็ญและการละท า, าบดีในจิตของผู้พูดปฏิบัติมีด่านสงสัยถึงจะพูดในต้นอื่นฟังหรือจะไม่พูดนีเ่เฉยก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในจิตในใจของท่านความบริสุทธินั้นจะไปจัก ผมกลว่าสังทีปุโปเห็นเองปัจจัตตังเฉพาะตัวรู้เข้าใจเมือมันจนมันเห็นถึงทีสุดอย่างนั้น